ธรรมบทแปลเรื่องชาวนาภาคที่สามเรื่องที่ห้าสิบสองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารอบชาวนาคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าตั้งกำมังกระตังสาธุเป็นต้นตอนโจรเข้าลักทรัพย์ ในตระกูลมั่งคัง่งได้ยินว่าชาวนานั้นทนานาแห่งหนึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงสาวัถีพวกโจรเข้าไปสู่พรณกรโดยทางท่อน้าทาลายอุโมงค์ในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งเข้าไปถือเอาเงินและทองเป็นนันมากแล้วก็ออกไปโดยทางท่อน้านั่นเอง โจรคนหนึ่งหลวงโจรเหล่านั้นกระทําถุงที่บรรจุทรับพันหนึ่งจานวนหนึ่งถุงไว้ที่เกลียวผ้าแล้วไปถึงหน้านั้นแบ่งพันธะกับโจรั้งหลายเหล่านั้นแล้วถือผพาเดินไปอยู่ไม่ได้กําหนดถึงถุงบรรจุทรับพันหนึ่งที่ตกลงจากเกลียวผ้าตอน พระาศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนาในวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นชาวนานั้นผู้เข้าไปภายในคายคือพระญาณของพระองค์แล้วทรงใคร่กรวนอยู่ว่าเหตุอะไรน้อแลจะมีได้ทรงเห็นเหตุ น, นี้ว่า ชาวนาคนนี้จะไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่แม้พวกเจ้าของพันธะไปตามรอยเท้าของโจรทั้งหลายแล้วเห็นถุงที่บรรจุทรัพย์หนึ่งพันในนาของชาวนานั้นแล้วก็จะจับชาวนานั้นก็ถ้าเว้นจากเราเสียคนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนานั้นจะไม่มี แม่อุปนิสัยแห่งโซดาปฏิมักของชาวนานั้นก็มีอยู่เราไปในที่นั้นย่อมควรดัง น, นี้ฝ่ายชาวนานั้นไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรูพระาศาสดามีพระหานนติระเป็นปัจฉาสมณะได้เสด็จไปในที่นั้นแล้วชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วไปถวายบังคม พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เริ่มไถนาอีกพระศาสดาไม่ตรัสอะไรอะไรกับเขาเสด็จไปยังที่ที่ถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งตกอยู่ทอดประเนตรเห็นถุงนั้นแล้วจึงตรัสกับพระอานุนเตระว่าอานนต์เธอเห็นไหมอสอรพิษเห็นพระช้าค่าอาสอรพิษร้าย ชาวนาได้ยินถ้อยคำนั้นคิดว่าที่นี้เป็นที่เที่ยวไปในเวลาหรือไม่ใช่เวลาของเราได้ยินว่าอสารพิษมีอยู่ในที่นั้นก็เมื่อพระาศาสดาตรัสคำมีประมาณเท่านั้นลีบไปแล้วเขาจึงถือเอาด้ามประตักเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าอสารพิษนั้น แต่เมื่อเห็นถุงบรรจุทรับพันหนึ่งแล้วจึงคิดว่าคำนั้นจะเป็นคำอันพระศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุทรับพันหนึ่งนี้เขาจึงถือถุงบรรจุรับพันหนึ่งนั้นกลับไปเพราะความที่ตนเป็นคนไม่ฉลาดจึงซ่อนมันไว้ในที่สมควรแห่งหนึ่งกลบด้วยฝุ่นแล้วเริ่มจะไถานาอีกตอน ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิตก็แม้พวกมนุษย์เมื่อราตรีสว่างแล้วเห็นการกระทำที่พวกโจรกระทำในเรือนจึงเดินตามรอยเท้าไปถึงหนานั้นแล้วเห็นที่ที่พวกโจรแบ่งพันธะกันในนานั้นได้เห็นรอยเท้าของชาวนาแล้วมนุษย์เหล่านั้น ไปตามแนวรอยเท้าของชาวนานั้นเห็นที่เก็บถุงรับที่ชาวนาเก็บไว้คุ้ยฝุ่นออกแล้วถือเอาถุงรับคุกขามว่าแกปล้นเรือนแล้วเที่ยวไปราวกับไถนาอยู่ได้โบยด้วยท่อนไม้นำไปแสดงแกพระราชาแล้วพระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ประหารชีวิต ชาวนานั้นผวกราชบริษมัดชาวนานั้นให้มีแขนไพร่หลังเขี่ยนด้วยหวายนําไปสู่ตะแเลงแก่งแล้วชาวนานั้นถูกราชบริษเขี่ยนด้วยหวายไม่กล่าวคำอะไรอะไรอื่นกล่าวอยู่ว่าเห็นไหมอานนท์เอาสารพิษเห็นพระจุข่าอาสารพิษร้ายเดินไปอยู่เพราะนั้น ผู้ราชบริษัถามเ่าว่าแกกล่าวถ้อยคําของพระศาสดาและพระอนนติระเท่านั้นนี้เรื่องอะไรกันเขเมื่อชาวนาตอบว่าข้าพเจ้าเมื่อได้เฝ้าพระราชาจึงจะบอกผู้ราชบุิษจึงนําเขาไปสู่สํานักของพระราชากราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระราชาแล้วตอนชาวนาพ้โทษ เพราะอ้างพระาศาสดาเป็นพยานลำดับนั้นพระราชาตรัสถามชาวนานั้นว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงกล่าว ด, ดังนั้นแม้ชาวนาก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติทเทวราชข้าพระองค์ไม่ใช่โจรชาวนาก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแต่พระราชาจำเดิมแต่การที่ตนออกไปเพื่อต้องการจะไถานา พระราชาทรงสลับถ้อยคำของชาวนานั้นแล้วตรัสว่าพ่ะนายชาวนานี้อ้างเอาพระาศาสดาผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกเป็นพยานเราจะยกโทษแก่ชาวนานี้ยังไม่สมควรเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้ดังนี้แล้วพระราชาได้ทรงพาชาวนานั้นไปยังสำนักของพระาศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระาศาสดาว่าขณะพระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้เสด็จไปสู่ที่ไถนาของชาวนานั้นกับพระอินเตละแล้วหรือพระาศาสดาถูกแล้วมาบพิษพระราชาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้นพระาศาสดาถุงทรัพย์พันหนึ่งมาบพิษพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสคำอะไร พระศาสดาคำชื่อนี้มหาบพิษพระราชาพระชข่ชาถ้าบุุษนี้จะไม่ได้กระทําการอ้างบุคคลผู้เช่นกับด้วยพระองค์แล้วไซด์เขาจะไม่ได้ชีวิตแต่เขากล่าวคําที่พระองค์ตรัสแล้วจึงได้ชีวิตตอนไม่ควรทำกรรมที่ให้ผลเดือดร้อนในภายหลังพระศาสดาทรงสลับ พระราชดำ m รัสนั้นแล้วตรัสว่าม้าบพิษแม้ตถาคตกล่าวคำมีประมาณเท่านั้นนั่นเองแล้วก็ไปความเดือดร้อนในภายหลังย่อมมีเพราะกระทำรมใดคมนั้นผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่พึงกระทำดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อนุสนธิแสดงตามจึงตรัสพระกาถานี้ว่า บุคคลกระทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีเลยบาลีว่านะตงังกรมมังกตังสาธุยังกตะวาอนุต ป, ปฏิยัสสะอสุมุขโขโรทงัง วิปากังปฏิเสวติก็ในบรรดารมเหล่านั้นคำว่าอย่างกตวาแปลว่าทำกรรมใดแล้วหมายความว่าบุคคลกระทำกรรมใดอันสามารถจะให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้นได้แก่มีทุกข์เป็นกาไรเมื่อตามระลึกถึงย่อมเดือดร้อนในภายหลัง คือย่อมเศร้าโศกในภายหลังในขณะที่ระลึกถึงแล้วระลึกถึงแล้วกรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีคือไม่งามได้แก่ไม่สละสลวยคำว่ายัสสะอัสุมุขโขแปลว่าเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาของกรรมใดหมายความว่า เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้ย่อมสวยผลกรรมใดก็ในเวลาจบเทศนาอุบาสกชาวนาบรลุโสดาปฏิผลแล้วแม้ภิกษุผู้ประชุมกันเป็นนันมากก็บรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องชาวนา